เมื่อบ้านมีลังคาก่อนเมื่อเราเข้าไปอยู่ก็อาศัยก็สบายมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขสินข้อที่ห้าคือสุราเมรยะมัชะประมาทการดื่มสุราและเมลัยเ่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วในทุกอย่างเออเหมือนคนเป็นบ้าพวกเราจะมีฐานะสูงสงขนาดไหนร่ารวยขนาดไหนถ้าหาว่าคนนั้นเป็นบ้าขาดสติเส อ, อย่างเดียวเท่านั้นนะ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 ในงานต่างๆเช่นสาสนาพิธีอย่างนี้ละ่ะ ช, ช, ช, ชุมชนหมู่มากท่านก็ให้พวกเราสมาทานศีลรักษากายวาจะให้เรียบร้อยพร้อมกันอย่างน้อยก็ให้เชิดชูบูชาเอาไว้ว่าศีลห้าของพระเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจึงสมาทานศีลจะไปขอสมท า, านศีลเอาต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมท า, านศีลณที่นะี่เนาะ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 แต่จะไม่จะไม่ถึงกั น, น้อยแต่ถึงยังไง เ, เรากําหนดเองไม่ได้ว่าค่าอายุค่าเป็นเจ้าจะอายุเท่านั้นปีเท่านั้นเดือน เ, ออเพราะเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นบุคคกรรมหรือเป็นกรรมเก่าของแต่ละท่านที่ได้สร้างสมอบรมมาในอดีตชาติที่ถือมาในอดีตชาติในเรื่องชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลาย